เราก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะเสียงฝนตก อ, อากาศเย็นส บ, บายอยู่ใกล้กับภูเขาต้นไม้ต่างๆธรรมชาตนะิหรือว่าเป็นอากาศอรอบๆตัวนะมันก็มีส่วนนะมีส่วนสำคัญอย่างหนึง่งในการที่ทำให้จิตใจอของเรา อบขึ้นนะแล้วก็ทำให้เราผ่อนคะลายขึ้นนะนะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะที่ที่มันเรียกว่ารั่วเรือนะภาษ า, าพาก็เรียกว่าตระกยะเนะหมาะสมนะเชื่องนะูในการที่นะปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ อ, อยากเปิดใจเยอะๆเปิดใจ เปิดใจของเราให้ซนะุ้งซับนะความโกลบความร้อนเย็นแต่ความทุกถ้าเราเปิดใจยอมรับตัวนี้นะจิตใจมันก็จะค่อยๆปรับตัวเข้ามาหาความสมดุลของที่บางทีคนที่เข้าถึงธรรมะนะบางทีบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดได้รับ สัเกตดูชาวบ้านนะหลายคนนะเขาเขาใน ห, หลายคนจะให้ไปถามว่าเขารู้ธรรมะข้นะอ น, นั้นพอ น, นี้ไมนะ่พูดได้หรือเปล่าหลายคนก็พูดไม่ได้นะแต่เขาทำได้ในะ แ, ตแต่หลายอย่างนะเขาทำได้ทนำะ น, น่นใจใจเย็นนะอพอรู้ทวนะ มีความอดทนพอสมควรนะหรือการใช้ทีวิตในการเดินในการทาอะไรก็มีสติพอสมควรนะพอเวลาหยุดทํำในท่านะบางทีมันทําเป็นตัวฝุกสติไปนในตัวอย่างเวลาชาวเข า, นะาเวลาเขาเดินป่าเนะี่ยอยู่เดินขึ้นเขาอะบางทีมันก็เวลาเขาเดินขึ้นเขานะ มันก็เหนื่อยมันก็สูงบางทีก็แบกของแบกตะไคร์ใหญ่บางทีเราสังเกตเขาดูเขาเดินไม่เคยเหนื่อยเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเขาก็เขาก็ฉิ่นนะเพราะว่าทำอีกตอนแต่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาจับจังหวะในการเดินได้คือเดินไม่ได้รีบเกินไปนะเ้าวพอดีจังหวะพอดีนะ มีความระมัดระวังในตัวเราด้วยเนี่ยมันก็ท hey. ําให้การเดิน <höher> ข <vrai zeit> <m> ึ้นเขาเดินทางไกลๆนะมันก็เรียกว่าเกิดความสมดุลในชีวิตแต่ระดับคนทีคนเมืองนะระดับไปเดินแบบนั้นนะบางครั้งใจเราร้อนเราก็อยากจะเดินเร็วถ้ารเดินเร็วแต่ยิ่งเดินเร็วนะ กังยิ่งไหยเร็วแล้วก็ยิ่งต้องทักบ่อยไปไปเดินขึ้นภูเขาสีป่าทะนะที่ทะเลสีลังกาที่ก็จะเห็นวัยรุ่นหลายคนตรงนี้ก็เห็นชาวต่างชาตินะหลายคนอย่างพวกพระดำไม่รูชาติอะไรทีพอมาเป็นกลุ่มเกิดความสึ้งถนอมเพลิดเพลนทากันวิ่งวิ่งขึ้น รูเขาเหมือ <laughs> ่งซ he ้อสีปลาับตอนที่เขาวิ่งนะแราเขาก็ผ่านมาไปแต่พอสักพักหนึ่งจะเห็นนั่งหอบอยู่ตรงกระบาดทางเราก็เดินไม่นานแล้วก็เดินแซงครับสักพักหนึ่งนะเขาก็วิ่งไปแล้ววิ่งแซงไปหนึ่งแต่ไม่นานก็ไปนั่งพักอยู่ข้างบน อันนี้เขก็ขเราผ่านอันนี้เราก็แตลงได้เร็วขึ้นนะผ่านที่ททสองก็ไม่เห็นเขาผ่านที่สามเลยว่าหมดทั้งๆหมดแรงก็พักเร็วขึ้น น, นคือบางทีด้วยความทุกข์ทนน่ะงงงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวด้วยความที่เรียว่าใช้พลังงานหน้ากินไป ก, ก็ก็เลยเหนื่อยเร็วนะ ในการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันน ะ, ะถ้าเราไม่จับความสดเดุเนี่ยหละบางทีความรีบร้อนะในการทำสิ่งต่างๆนะการทำเร็วๆไม่ใช่ว่ามันจะทำให้เสร็จเร็วๆนะบางทีการทำเร็ว ๆ, ๆ, ๆหลายๆอย่างนะมันก็อาจจะทำให้เราเสร็จช้าว่อยปกติก็ได้เพราะบางทีการที่เราทำเร็วบางๆๆอย่าง มันก็ทำให้เราเรียกว่าต้องกลับมาแก้ไขอหรือบางอย่างมันก็ทําให้เราเหนื่อยเกินไปต้องต้องพักผ่อยนเยอนะนี่นะเหมือนนักวิ่งนะนักวิ่งเราเห็นเอาวิ่งลอยเมตรเนี่ยไปเป็นที่นะปุ๊บเป็นที่แต่ก็ต้องพักนานเพราะว่าต้องเพราะมันเหนื่อยนะเพราะใด้พลังงานเต็มที่ในเครื่องลอยเมต แต่ถ้านักวิ่ง400เมตร800เมตรระดับกลางเนี่ยวิ่งเขาจะวิ่งแบบเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมาใส่บ้างในตอนช่วงโค้งสุดท้ายแต่ก็ใส่แบบไม่ได้สิ้นนายแบบปล่อยหมดนะพอหลังจากนั้นก็จะมีแรงหยุดพอนตควรคือถ้าเรียกว่ารู้จักจังหวัด พอดีพอดีนะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราแบบไม่ไม่เหนื่อยเกินไปไม่ทนเดือนดะในการทำมาหากินในการเลี้ยงชีพของเราก็เหมือนกันบางครั้งเป็นคาราวาสนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบน่อยค่อยไม่ไม่ดิเกินไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะอไม่ได้วนะ่าเหนื่อยมันจะรู้สึกว่าการทำงานจะดีการพักผ่อนจะดี มันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันพอเราเดินอย่างมั่นคงเนี่ยมันมีสตินะมันก็เดินไปพักไปนะจิตใจเราไม่ไปมุ่งเป้าที่ที่จุดหมายนะเราก็เดินไปมันก็ถึงทุกครั้งนะเราก็ได้พักทุกครั้งเหมือนกันแต่ถ้าเราเร่เดินเนี่ยมันใจเราเราก็ร้อน ร่างกายมันก็ร้อนนะพอไปถึงเนี่ยที่เกือบจไม่ถึงที่นะมันก็เหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็อยากจะพักเป็นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะอเราเดินจนปมก็ดียกมือตั้างฉับก็ดีนะเดี๋ยวไปเร่งมันมากเกินไปเดี๋ยวไปเขี้ยวันมากเกินไปบางทีมันก็เหนื่อยนะ ร่างกายมันก็เก็บบางทีได้เงินมากกดกดแบบกดนอนเดินปฏิบัติแบบเต็นที่หามรูปหามท่าบางทีมันก็ทำได้เลยนะอบางทีสองสามวันสี่้าวันนะเจ็ดแปดวันมันก็แรกๆเนี่ยกาลังมันมันดีมันก็พอทนพอฝืนได้แต่พอหลังๆมันก็อ๋อมันเหมือน ก็เมืนใช้แดกมาเยอะแล้วปลาดาวมันก็ค่อยๆโตไปค่อยๆเหนื่อยลงมามันไม่ว่เกี้ยวเกินไปเล่งเินไปคู่แบบประมาณว่าทำเรื่อยๆไม่เร่งเกินไปแต่ก็ไม่ได้ว่าหย่อนพักสบายแบบอที่เกลี่ยที่คลานก็ไม่ใช่นะแต่เหมือนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมัน มันจะทําให้เราไม่ต้องพักบ่อยเหมือนรถนะเวลารถขี่ทํำไ้าเรียกแล้วก็ไม่กี่เร็วมากเนไปเขาจะขี่ไม่ได้เรื่อยเพราะว่าความร้อนมันเซมี่สูงแต่ช่วงไหนขึ้นเขาขึ้นไหนเราเล่ลงมากๆความร้อนมันเกดสูงเพื่องมันร้อนนะพอเราเห็นเกรื่ความร้อนมันสูงเราก็ต้องพักอเพราะว่าถ้าเล่งไปอีกนะเชือ่อมันจะมีปัญหา ปฏิบัติพวเหมือนกันเนีมันเป็นความสมดุลพื่เราต้องปรับระหว่างภาษาเรียกว่าการไม่พักแล้วก็ไม่เปลี่ยนในประตูที่พระเจ้าได้ใส่ไว้เนี่ยไม่พักแล้วก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้หมายถว่าแบบขยันมากเกินไปนะหมายถึงว่าอทำํำสอบเพียนแบบเอาจีนเอาจําแล้วก็ไม่พัก คือไม่แค่ไม่ติดไม่เสือยไม่ทานจิตใจมันมันจะพอดีพอดีแบบนะไม่พักแล้วก็ไม่เปลียนหรือไม่ไม่เปลียนมากเกินไปจนยุ่ง่อยแล้วก็ไม่พักจนเฉือยอันนี้แบบพูดแบบภาษาแต่พูดว่าไม่พักไม่เปียนก็ได้ หือจ้าปูดอี ก, กแบบหนึ่งนะก็ถูกเหมือนกันนะยนนี่หม้มาคิดเองนะก็พิจิงก็ที่ทเพียนแล้วก็พักนะูนในตัว อ, อ น, นี้รักษาของตัวเองนะแต่ถ้าเราปฏิบัติมีะติมันก็เป็นการพักแล้วก็การเพียนอยู่ในตัวเพียนที่เป็นเรียกว่าสัมมาวายามะนะอายันอายันสร้างสุขผล แต่ยันละอคุส น, นี่คความเพียร น, นะแล้วก็เป็นการพักในตัวนะพักอยู่กับสมาธิเนี่ยทําไปได้วยมีสมาธิมีตินตนยจิตตั้งมั่นนเแต่การปล่วางรู้ตัวไปล่วางอยู่ขนานั้นเนะจะเรียกว่าทั้งพักแล้วก็เพียรก็ได้ <c oughs> น, นี้แบบภาษาเนาะภาษา ภาษาสมมติกับภาษาธรรมนะบางทีมันก็อาทีพูดจะเหมือนตรงข้ามกันเลยนะแต่มันก็สิ่งเดียวกันนะสิ่งเดียวกันเนี่ยมันเหมือนห้องนะเหมือนห้องห้องหนึ่งนะมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีโต๊ะไม่มีคนไม่มีอะไรเลยแล้วก็เรียกว่าห้องมันว่างมันก็ถูกนะ แต่ดีเราก็เร <animals> ียกว่าห้องมันเต็มก็ได้นะอะไรมันเต็มอากาศมันเต็มเลยเต็มห้องเลยมันก็ถูกเหมือนกันนะเหมือนแก้วเรานะแก้วเราไม่ใส่น้าไม่ใส่อะไรแล้วก็แก้วมันว่างมันก็ถูกนะแต่เว่าแก้วมันเต็มก็ได้นะมันเต็มด้วยอากาศหคือเต็มไปด้วยฟองว่างมีเด็กเมื่อวานอบรมเด็ก นะมี่ยคพุทธนะหอมมาตมาเนี่จอเด็กผู้ชายร้อยกว่าคนนะสองชั่วโมงนะขัดกันมาทีละกลุ่มกลุมแล้วก็มาสิบคนทำไมเจอประมาณร้อยคำถามถามจนแต่ละคัดนะตั้งแต่เรื่องความรักตั้งแต่เรื่องอการใช้ชีวิตเพื่อไปหรือตั้งแต่เรื่อง กับผมใส่ทำไมพัดต้องควผมทำไมพัดต้องนุ่จีวรทำไมพัดกินข้าเด็กไม่ได้ก็ถามจีดย่อยประมาณห้าสิเปรเ็นะเด็กก็ถามแบบที่เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะก็ประมาณห้าสิเอร์เซ็นได้นะก็ก็ถือวใ้ได้ก็มีบางคนก็ถามวิพาเป็นแบบไหนก็ ก็ยืมภาษาหลวงพ่อบอกเนไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างเี้ยด็กบอกมึึ๊ดเลยครับอธิบายอภาษาอินทพันคืออะไรหลวงพ่อบอกจำไว้ก่อนมันไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกนะมันก็เหนือนกับเราแต่้นมีคนถบายน้ําชานะครับเนี่ยน้ําชานะเนี่ย รู้ไหมเขาทาดทาเป็นแบบไหนเด็ก็าบอกมันก็อาจมันก็ขกขมเป็นเกลือจริงเลยเขาบอกมันเป็นคำตอบจากความจำนะจากประสบการณ์ของเขาอาจจะถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้แต่มมนก็เลยทานทาันพอเราผักผัดกับรสชาติลม บางทความรู้มันก็ไม่มีนะมันก็เรียกสมรสผู้สิทธิ์เลยอก็บอกเขาว้างทีวิถานนะมันก็อธิบายไม่ได้นะมันก็มันต้องสัมผัสเอาเองนะอืสัมผัสเอาเองนะมันจะได้พูดเป็นภาษาบางทีก็คิดคิดไม่ได้คิดไม่ออกนะถ้าเราไม่ได้สัมผัสแต่ถ้าใครได้พอสัมผัสวิถานี้อเนาะ ในขนาดที่เรารู้สึกตัว น, นั่นแหละมันก็เป็นลดคล้ายๆกันนั่แหละนะอมืมันก็ลดน้ํำนะรดน้ําในทั่วประเทศ น, นะน้ําจืดนะมันก็ติดคล้ายๆกันแต่แต่ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าบางทีก็ไม่เหมือนนะรถชาติน้ําแต่ละยี่ห้ อ, อน้ะผลแต่ละที่อาจจะมีรถแตกต่างกันบ้างแต่แตแตแต ที่กินรสชาที่เป็นรถภายนอกเน่ยไม่สำคัญเพราะว่าจะรสนิทานเนี่ยใครจะอธิบายทภาษาแบบไหนก็ไม่สำคัญนะสำคัญแต่ว่าเช่นพอเราดื่มน้ำไปเนี่ยเราดับตาหายคลายความทุกข์เนี่ยอันนี้แหละลบเดยกันสภาวะความรู้สึกตัวการมีสติหรือสภาวะการสัมผัสรสนิธานาน้อยๆเสมอไป ไม่ต้องพูดก็ได้ว่าเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่สัมผัสได้เหมือนกันคือมันไม่ทุกขนะ์ใมันดับความทุกข์นี่นแหละนี่คือนี่คือของจริงนะของจริงนะ้ น, นการปฏิบาททาัติธรรมจริงๆเนะี่ยบางทีมันอยู่เหนือภาษาที่เราพูดกันนะนะแล้วก็บางทีเราก็ไม่ต้องไปพยายามคิดเข้าใจด้วยด้วยภาษาด้วยการจรีดความอะไรมากมาย แต่ให้เราอใสยการสัมผัสนะสัมผัสบนใบนะเอาความรู้สึกตัวนะที่เกิดจากการสัมผัสนะสัมผัสแบบไหนเช่นมันกรนะทบเนี่ยมันเป็นการสัมผัสสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเอาการเคลื่อนไหวมันก็เป็นการความรู้สึกนะที่มันสัมผัสได้ในการไหวนะหรือสภาวะที่มันนิ่งมันก็เป็นสภาวะที่เราสัมผัสได้กับความนิ่งของ ของลูกของกายนะหรือเราก็สติรู้ทันนะเวลาใจเกิดอารมณ์เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้นะแค่รู้นะรู้ว่ามันเจ็บพัฒนาไปเป็นสภาวะเห็นนะหรือสภาวะดูนะคือเราจะเห็นว่าอาการหรือว่าอารมณ์ต่างๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งพอเราดูแล้วเราเหมือน ออกมาจากอารมณ์นั้นอาการนั้นนะเหมเราเห็นเห็นคนอื่นนะแล้วคนอื่นสมนนะออมติเขาอยู่กลางฝนนะออกไปอยู่นอกศาลาฝนต ก, ตกมาเปียกฝนแต่อยู่ในศาลาเห็นนะเห็นเขาเปียกฝนแต่เราอยู่ในศาลาเนี่ยเราไม่เปียกฝนนี้ก็เหมือนกันนะบาทีเราเห็นนะเห็นหนะ้ากายมันทุกนะข์เนี่ยพอมีสติดูเหมือนนะี่ย มันต้องสงสารนะไอ้สงสารรูปที่มันทุกข์นะแมันก็อยากจิตช่วยรูปที่มันทุกข์นะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ด้วยนะอ่มันเราเห็นร่างกายมันทุกข์เนี่ยจิตใจมันก็สงสารร่างกายนะที่มันเป็นทุกข์การสงสารร่างกายก็คือมันก็จะช่วยบรรเทาบรรเทาทำยังไงนก็รูปมันถึงจะไม่ทุกข์มากกว่านี้นะ มันก็จะไม่เฟรช้ำเติมฟุตของกายนะมันก็อา จ, จะช่วยทำให้มันผอนคลายขึ้นนะนะใจมันก็จะมีทุกไปด้วยนะการช่วยการสลุกปั่นะมีเมตตากปรินาต่อรูปนะนะมันก็ต้องไดกินให้มันได้นอนให้มันดับนะออกกำลังกายเพื่อื่อยรูปนะเวลาร่างกายเราไม่สบายไมาแน่น สง้าสงสารรุ่นนะบางทีลราก็บังคับไม่ได้นะมันจะเป็นมันจะอะไรก็ตามใปตามโลก น, นะเราก็เอาใจพอช่วยเอาอเอาใจพอช่วยทำภายนอกนะปจะช่วยทำด้า น, ด, านด้านกายเนื่อออกกําลงกายหรือใครพอจะทำสมาธิได้บางทีเราก็ใช้การทำสมาธิบ้างเพื่อให้กายมันได้พักก่อน ให้ตายมันมีกำลังเกิดจากสมาธิตอบสนองดุลขอร่างกายที่มีใายแต่พอร่างกายมันเป็นทุกข์มากๆมันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ดูมันเราก็เห็นว่าเป็นอาการของกายเป็นโรคเป็นปลกูกโรคเป็นเพียงแค่อาการเนี่ยคือมันก็จะมีแต่ญา็น พอมันช่วยไม่ได้มันต้เป็นไปตามเหตุทามใจใจแล้วก็เออหย่อนกับมัน ม, นะมันเป็นเรื่องของกายก็เป็นแบบนั้นการดูใจก็เหมือนกันดูจิตดูใจก็เหมือนกันไม่ใช่ไปดูว่ามันคิดอะไรอะไรเหมือนกันก็มีเด็กก็ถามเหมือนกนะัถามเรื่องการดูวิทนาการดูจิตทําแบบไหนเด็กก็จะ ด, าดนะ่ากัน ถามเรื่าธิเป็นแบบไี้นี่ปรัชนาเป็นแบบไหนก็เยอะนะเด็กเป็นแบบไหนนี่อะก็นี่แหละก็การดูใจนะดูจิตดใจได้เหมือนกันแต่ก็ดูคำว่าดูคือให้ดูไอ้ตัวตัวใจนะเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวความคิดเขาทําตัวอย่างให้เด็กคือเรื่องนิ้วสามนิ้วนะเนี่ยเกี่ยวเับนิ้วชี้ที่ ดูตัวความคิดเนี่ยหรือการดูตัวใจเรือนานดูตัวตายโออาจจะดูใจเนี่ยหือดูไอ้ตัวใจเนี่ยมันไปเกาะกับความคิดหรือเปล่าหรือไปเกาะที่กายหรือเปล่ามันว่าเะไปเกาะแบบมันไหวไปหรือเปล่าดูไอ้ตัวความไหวของใจนะไม่ใช่ไปดูไอ้มันคิดอะไรการไปดูว่าคิดอะไรเนี่ย หมาแมวนยมันก ah ็รู้นะแต่การดูติดปื้ใจจริงๆเนี่ยที่เป็นนามธรรมนะถ้รู้ว่าใจนี้มันตกมันอยู่ตรงตามมั้ยมันไหวไปหรือเปล่าคือรู้ตรงนี้นะมันไหลออกไปหรือเปล่ามันคลิกออกไปหรือเปล่ามันหนักมันแน่นมันทบกข์หรือเปล่าคือยอดดูอาการที่เกิดขึ้นตับปื้ใจเนี่ยต่ ก็คือเราสังเกตไปนะฮสังเกตดูตัวร่างกายตัวจิตใจดูอาการของกายดูอาการของใจเนี่าายมันะจะเห็นว่าโอนะ้มันมีเสื้อเนะ่ย ม, มีเสื้อนะมีเสื้อคือความอยากนะความอยากมันกลุ่มกลายเป็นกิเลสนะกิเลสมันเะกิดเพระตัณหานะนะถ้ามันไม่มีตัณหานะไม่มีกิเลส ปนะัญหานี่เป็นเป็นเชื้อเป็นปัจจัยนะทำให้เกิดกิเลสแต่อยนะ่ในเช่นมันนี้ปัญหาที่เราความไม่อยากถูกไหมครอนนะืมนะนะมันไม่อยากนะนะนะมันเป็นเชือเกิด อ, อะไรเช่นเกิดโทภตาอ่านะนะนะมันไม่อยากนะมันก็เลยเกิโดโภตาปัจจนะันะเช่น ไม่อยากให้ฝนตกเอมันเสียดงดังนนความไม่ค่อยทัดความไม่อยากของเราเนี่ยมันเป็นเหตุที่เกิดความไม่ชอบที่ฝนตกอนี้่วนลดนะคือฝนจะตกฟ้าจะร้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเรื่องเนึนงของมันนะเราทำอะไรไม่ได้ใชไ่ไม่ใช่ว่า เราอยากให้ฝนตกฝนมันก็ตกอนะเราไม่อยากให้ฝนตกเราก็ไปนหน้ามให้ฝนมันไม่ตกฝนะจะตกฝนจะไม่ตกเนเป็นเรื่องของของธรรมชาตนะิซึ่งธรรมชาติมันก็มีเหตุมีสัตว์ใจของมันนะตามฤ ด, ดูกาลตามสภาพอากาศที่มันเหมาะสมฝนมันก็ตกอนะตามเหตุตามสัจว์ใจฝนจะตกเนีไม่ให้ไม่เกิดเพราะความอยากของเรา หรือความไม่อยากของเราเ น, นชาวนาจะปะาถนาที่ฝนตกนะเพราะว่ามันแล้งมากนอะ้อนบอนขอร้องนะให้ฝนยันตกในชะ้ใส่ยเย็นปาดช่วยต่างๆที่เรียกว่าเป็นการโลงเนาะนแต่เพื่อ น, น, นาอาในบ้านจะทําด้วยความสบายใจแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช้เป็นไปนตามสิ่งที่เราขอร้องหรอกนะ สมมติวันนึงนะออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคือคนเดียวกันนะไอ้คนหนึ่งอนะยากให้ฝนตกเพราอยากจะได้รด น, น, น, น, น้ําต้นไม้ได้น้ําเข้านาแต่บางคนเนี่ยโอ้วันนี้ซักผ้าใหญ่หรือบางคนกำลังตากผอมนะตากทิกตากอะไรก็แล้วแต่อยากให้แดดมันออกไม่อยากให้ฝนมันตกความอยากของสองคนมันขัดกันนะ ไม่รู้ฟ้าเราจะคิดอย่าไหนะเราอยากไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าฟ้ามันดำเรียนก็ไม่ได้นะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะมันไม่ใช่เกิดเพราะความอยากของเรานะแต่มนุษย์เราเนี่ยเป็นพวกเพราะความอยากมนุษย์เราเป็นพวกเพราะความอยากพราความไม่อยากเนี่ยปัญหาจริงๆตัวเนี้ยนะเป็นพวกจริงๆนะความความอยากความไม่อยากเนะ มีหลายคนก็เคยมาก็ได้กไม่เชิญปรึกษาเชิญแบบระบายตอนนี้ทำไมต้องปัญหามีปัญหาในชีวิตมากมายใช่นีมใช้กามไม่หมดไม่สิ้นทุกทีนะอะไรประมาณนั้นทำไมชีวไม่มีความสุขเลยมีเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ปัญหาอะไรนะมีแต่ทำไมทำไมนะอยากจะมีความสุขเนี่ย ไม่อยากจะมีความทุกข์นะอยากจะมีชีวิตที่ที่ดีนะไม่อยากจะมีชีวิตที่วุ่นวายในปัญหาทีวิตที่แบบเต็มไปด้วยความอยากแล้วความไม่อยากอะไรนะโอมันไม่พบกับประมุกเลยมันเจออะไรก็รู้สึกมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการทั้งหมดรลยก็พยายามชี้เห็นว่าเนี่ยคือที่จริงนะ ปัญหาหรืออนะไที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะมันมันก็เป็นของมันนะตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งทีเ่เราทำได้กนคือเราวางใจนะ م, แบบให้รู้ทันเนาะรู้ทันเวลาใจมันอยากเวลาใจมันไม่อยากในระดัแบบนั้นเนะี่ยมันก็ทำยากนะสำหรัแบบบางคนนะแต่มาก็เชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติทำนิสิติเราจะทันนะบาที่อาจจะ ยังไม่นึกถึงเห็นความอยากและความไม่อยากนใจแต่พอมันคิดเมื่อไหร่มันเหน ai, มือนคนะล้ายคล้ายมเหมือนเหมือนหญ้าก็อาจจะไม่เห็นรากรากเน่าของหญ้าแต่เราเห็นใบที่มนะันโผล่ขึ้นมะนะ า, า, านันะ่นรากเน่าของตัญหาถ้าพูดแบบง่งายๆก็คือมันเกิดเป็นความปรุงแต่งขึ้นมา ปรแต่งเป็นความคิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่อ๋อที่มันคิดมันปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้มาตรงนั้นเราอาจจะยังถอนรากไม่ได้แต่เราก็เหมือนตัดทิ้งไปก่อนการอฏิรูปธรรมเมือนตัดตัดการตกแต่งปุกเนี่ยเหมือนเอาเครื่องตัดหญ้ยตัดตัดญ้าไปก่อนปุ๊บยญ้ามันต้องใช้น ถ้าแบบถ้าเราไม่ตัดทินะ้งเนาะใบสุดเขียวเ่ยมันก็ถูกกับถูกกับแสงแดดนะฝนมันตกรากก็ได้น้ํำนะมันจะ็ริ่งนอกงาม น, นะได้ทั้งแดดได้ทั้งน้ำํำแต่ผนมันตกลงน้ำเราห้ามไม่ได้นะมันได้น้ําอยู่ไม่เป็นไรแต่เราไม่ให้มันได้แดดนะมันก็ตัดลงไปสัมพาะแสงไม่ได้มนะันก็จะค่อยเหี่ยว แต่เพียก็ขึ้นใหม่บ้างการเหตการณ์าก็ตัดใหม่คือความคิดนะบางคนทีนเด็กก็ถามทําไมผมมีสติแล้วทำไมไ ม, มนก็ยังคิดมากอยู่เนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะอ่ามันคิดก็เริ่มงของมันคิดแล้วออ เ, เ, เราก็แทรกออกเอาพอติก็ไปแทรกในระหว่างความคิดแทรกไปบ่อยแทกบ่อยน ะ, ะตัดไปบ่อยตัดไปบ่อยอ ความคิดมันก like like ็จะได้กำลังน้อยลงไปกับมันเองเนี่ยคราบเรียนก็เหมือนกัรนัดนะความคิดเราไม่ต้องห้ามความคิดมันก็เกิดมาจากตัณหาอะไหนะแต่เพียงแค่รู้ทันพอรู้ทันหม่วยตัดปุ๊บตัดปุ๊บตัดปุ๊บตัดเลอยตัดเลยลอยนะตอนนี้มันจะเริ่มเห็นเข้าไปอีกนะเห็นเป็นบางครั้งเราก็เห็นเป็นเวทนาะ เห็นใจมันสุขหรือใจมันทุกข์อาจจะไม่ได้เห็นในรูปของความจิ๊กนะแต่มันเป็นเป็นฟรู้สึกรู้สึกว่ามันสุขรู้สึกว่ามันทุกข์เลยนะบางทีมันไม่สุกขเฉยๆนะมันไม่ได้ปรุงว่าเป็นอะไรนะ่บางทีก็ทุกข์เฉยๆนะไม่ได้เป็นอะไรบางทีมันก็เฉยนะเป็นเป็นเพียงแค่อาการแล้วเราก็เห็นอ๋อเห็นบางทีมันก็ปรุงในความพอใจที่พอใจอ๋อ เราก็เริ่มเห็นละพอใจไม่พอใจแต่ไม่ท mm ันจะปุงต่อเป็นอะไรมากขาดนั้นก็แค่รู้สึกไม่พอใจทุ๊บไม่ทันตัดนั่นแหละมันก็อ้อรากนี่ตรงนี้นะใกล้ๆเทวไปถึงมากถึงต้นตอถ้าเป็นตำรวจนะก็ประมาณว่าจับจับผู้กระทาผิดได้แล้วก็ซักไซนะ ไปถึงไปใต้คลรับงานนะครับไปถึงผู้วาจ้าไงนะนะไปถึงไงนะเรียกว่าไปถึงตัวหลักจริงๆตัวใหญ่จริงๆที่อยู่เบื้องหลั ง, ลงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่เราเห็นความคิดนตะ่อไปเราก็จะค่อยๆเข้าไปเห็นนะตัวการของความคิดนะ่ะความคิดเนะี่ยเป็นเพียงแค่อาการที่มันเกิดขึ้น แต่ตัวการจริงๆคือตัวตัณหาเนะี่ยตัวความอยากนนะ่ยนะมันทำให้เราสร้างภพสร้างช า, งนะชานะงติเหนะนะมือนพนะุทธเจ้าเนี่ยพ อ, อนะท่านตัดสูแล้วท่านอุทานในใจในบทปฐมแล้คาสิทนะเป็นพาสิทธําั้แรกที่ท่านบอกอ้อเนี่ในข่้นทุกข์เบือเนี่ไอ้ความคิดเกี่ยวกเหมือนเบื่นก็ได้นะคูบ้านความคิดคือบ้านนะ สร้างเสร็จนั้นไปในปิตาความคิดของเรานั้นมันสร้างปุ๊บเนี่ยบ้านปรากฏเลยนะเหมือนอาดินในนิมิตเนี่ยตัดสานิมิตอะไรทักเดียวติดเขาแล้วก็เหมือนกันสร้างบ้านทักเดียวสร้างเป็นรูปของความคิดเี่ยทักเดียวอไม่เหมือนช่างต้องสร้างบ้านก็เป็นเดือนเป็นอะไรหลายเดือนตัวเด็จดแต่ความคิดเรามันสร้างทักเดียวแต่พระเจ้าเปรียบว่า ก่อนเนี่ยเห็นแต่โคงเรือย่างนะแต่พอเราเห็นคนสร้างบ้านในท่านนะมันรื้อถอนโคงเรือนต่งตางๆแล้วก็ไม่ให้ในท่างสร้างบ้านไใ้อีกต่อไปมันย้อนกลับมาถอนนะไม่ให้ในช่างมันทํางานมันก็ไม่เกิดโครงเรือนอีกต่อไปโคงเรือนที่สร้างแต่แรกก็รื้อถอนออกแล้วคงเรือนใหม่ที่จะสร้างขึ้นอีกจะไม่มีอีกแล้ว มันย้อนกลับเข้ามาคือตรงเนี้ยนะมันคือปัจจัยจริงๆนะนะรู้สึกตัวในพจนไไ์ใบ่อยนะรู้กายนะเวลาเราทําอะไรที่มันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากไม่ต้องเกี่ยควข้องกับคนวอื่นมากนะามากเนี่กยก็รู้กายไปเยอะๆรู้กายไปเยอะก็ถูกแต่บางครั้งเราทํางานหรือเราต้องเกี่ยควข้องกับผู้คนนะ่บางทีมันก็ไม่ค่อยรู้กายนะ บางทีเราก็รู้อารมณ์รู้จิตใจแทนก็ได้เหมือนกันนะบางทีเราพูดคุยอทางโทรศัพท์เนี่ยบางทีเราจะมันก็ไม่ได้รู้แต่ตายบางทีรู้ว่ากำลังหยิดกำลังจับกำลังขยับปากอะไรมันก็รู้บ้างนะแต่บางทีมันก็จะเด่นที่ตัวอารมณ์เวลาเขาพูดขึ้นมานะแต่เรารู้สึกแบบไหนหรือเราขณะที่เราฟังอยู่ เราก็สังเกตอารมณ์นะบางทีมันก็อยากจะพูดขึ้นแล้วนะบางทีก็เกิดอารมณ์ไม่อยากฟังแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีนะบางทีมันก็จะให้ดูแต่กายบางั้งมันมันก็เห็นแต่บางครั้งตัวอารมณ์มันก็เด็กกว่ามันก็ได้เหมือนกันนะเวลาพูดคุยเวลาเราทำงานในบางอย่างบางทีการดูจิตใจมันก็เป็นการเปิดเข้าไปเนการแทรกเข้าไปจะให้รู้แต่กายตลอดเลย มันก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ที่อย่างเช่นเก็บอารมณ์เป็นดักหรือว่าไม่ต้องทําการทํา ง, งานที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นการรู้ายอย่างต่อเนื่องมัน ก, มนก็มันก็มีโอกาสายเยอะนะแต่บางทีถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนทีก็มันก็เจอการรู้ตายบ้างรู้ใจบ้างประดับคนไปเนะนี่ยสิ่งมันก็เป็นการเจนสติของกันเนาะเป็นการรู้นะไม่ใช่เป็นการ ไปปกความคิดเนี่ยบางคนที่เขาว่าเขาไปดูความคิดไปรู้ความคิดรู้จิตแล้วมันสึกออัดมันแน่นที่จริงมันไม่ได้รู้จริงอ่ะมันพยายามห้ามความคิดพยายามไปปกความคิดเยเพืให้มันคิดถึงรู้จริงๆมันจะไม่หนักมันจะไม่แน่นหรอกมันจะรู้จริงๆแต่เพราะไม่เข้าใจก็เลยไปคิดว่าไปรู้ว่ามันคิดแต่จริงมันไม่ได้รู้ ในเป็ดหกในเป็ดห้ามันก็เลยเหนื่อยถึงจะรู้จริงๆว่ามันไม่มันไม่เหนื่อยะก็เหนื่อยบ้างเหมือนกันมันทีทิศมากๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางทีก็แป่สติมันก็จะปรับนะมันรู้ความทิศรู้จิตอะไรมากมันก็เหนื่อยบางทีก็กลับมารู้กายสิ้นเฮ้ยซื่อๆนะมันพักของมันสติมันจะปรับบางครั้งมันก็เดินนิพพสนาบางครั้งมันก็กลับมาสมาธิกลับมาพัก นะควับก็เดินพิจารณาดูดูดูปฏิเป็น ต, ต, ต, ตัวปรับผลดยของของของการของการภาวนานอ่าเปรับของมันเองนะบางครั้งเราอยากจะรู้นะเราอยากจะรู้อยากจะเดินพิจารณาแต่กําลังมันไม่ไหวอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่รู้มันก็ไม่ดูมันก็เอาใจมีเอาใจมีเอาใจ มันก็ปรับของมันเองนะเรวก็เองนั่นแหละระหว่ า, างไปเรียกว่าเนะี่ยระหว่างความเพียนนะปรับการพักนะทีก็พูดแบบที่ว่านะมันไม่มากเกินไปนะพนะอมันพอดีมันก็เป็นเหมือนทั้งความเพียนแล้วก็ว เ, กเป็นการพักก่นอนจะในตัวนะเะมือนเราเดินทางนะพอเราเดินไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆนะ ภาษาภาษาธรรมะเนาะอภาษาก็ อ, อาศัยภาษาสมมุติเนะแต่สาภาวธรรมในจริงเนี่ยมันมันนอกเหนือภาษาแต่มันไม่ไมันไม่นอกเหนือความสามารถที่จะเข้าใจได้เราสามารถเข้าใจได้ด้วยความรู้สึก อากาศอะไรเนี้ยเน่ยเราก็รู้สึกได้นะมันเย็นแบบไหนไม่ตอ้องไปรู้ก็ได้ว่ากี่องศ า, าแต่เรารู้สึกได้ในตัวเร า, า, า, บบาวา่าอากาศมันเป็นแบบไหนเนี่ยคือของจริงนะมันกี่องศาความชื้นเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นสมมติที่เอาเอาอะไรเอาตาดับนะตาดับสเกลต่างมาวัดในสมมติทฤษฎี thế. แต่มันคือ สมมติศิโลเกาใช้มันก็ถูกแบบสมมติแต่พมรู้สึกจริงๆเขาเราปรับขาษได้ละไม่มีภาษาบอกว่ากี่เท่าไหร่ก็ได้มันหนาวมากจนไปเราก็รู้เองแหละแล้วก็ตกลง้าไม่ใช่เราแบบเราต้องมากี่ดัปเองกับกับองศานโอ้ถ้ามันต่ำกว่า20องศาต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วหน้าเน่ะอันนั้นมันเป็นแบบสัจการแบบขึงยนนะเรา เราแต่ต่านะมหุ่นยนตหรือหรือระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะบางทีมันต้องมันต้องก้อนโปรแกรมแบบนั้นนะก้อนโปรแกรมให้มันบอกว่าถ้าถ้ามันเกณฑ์ถึงขนาะนี้แล้วต้องทํานั่นทํานี่นะไอ้นั้นเราใช้กับอุตสาหกรรมแบบหุ่นยนต์แบบแบบแบบเครื่องกล น, นะแต่โดยตมนุษย์คนแนละ้วเน่ะเราใช้ควารู้สึกเป็นหลัก ถ้าเราไปเจ็บที่ตัวสมมติ่ยโอ้มันก็มันก็แบบต้องมีเคื้องมือเยอะมากเลยนะแต่เราทาเราไม่ต้องเอาสมมตินขนาดนั้นก็ได้เราก็ปรับเป่ของเราได้มันหนาขนาดนี้รู้สึกว่าเมันปอเป็นตัวเอาผ้ามาปมเอาเสื้อมาใส่เออพอใส่สักพักหนึง่งแต่มันเริ่มออกแล้ว มันเดิมร้อนเราก็ขอดเพื่อต่อภาพไม่ต้องไปดูอุณภูมมันก็ยังทําได้ยืดมนุษย์เราไม่ต้องไปติดนะที่ตัวอุณภูมิติดที่เวลาติดที่อะไรมากมางทีก็ไปติดสมนุติมากนะมันก็มันก็ยุึดมันก็ยากนะอืเราใช้มนุษย์ไม่ถูกนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงจริงเนีเราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่กายมันก็บอก เป็นแบบไหนไม่พอบเป็นแบบไหนผลผลิตใจมันก็บอกนะพวกเป็นแบบไหนไม่พอบเป็นแบบไหนมันอยู่ด้วยกันนะเหมที่หลวพ่อบอกว่าในพวกมันมีความไม่พวกในโกรธมันมีความไม่โกรธในโหลมันมีความไม่โง่มันอยู่ด้วยกันก็ได้แหละนะมันมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะผัดผัดได้ด้วยความรู้สึกตัวนะที่เราที่เราฝึกนะ ที่เราทำแล้วก็มันก็เกิดผลอยู่ในตัวของมันนะั่นเองนะครับนะก็ปากไว้มั